อันความยึดถือเป็นของเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความยึดถือเนี่ยมันจะเที่ยงนะนะตอนที่ซื้อรถเนี่ยนะสมมติคันเดียวกันเนี่ยนะสิบปีแรกยึดมากเลยใช่สามสิบปีผ่านไปคันเดียวกันเนี่ยนะช่วยเอาไปทิ้งไอดีเถอะเนี่ยนะคิดอย่างนะ นะเปลี่ยนชื่อไปหมดเลยนะอย่างนะั้นคนข้างๆก็เหมือนกันใช่ไ้มไอ้ก็อบอกว่าอูยตอนแรกเนี่ยห่างกันหน่อยไม่ได้เลยนะคิดถึงกันแย่นะตอนหลังมาก็บอกเฮ้ยนี่ขยับไปห่างๆหน่อยได้ไห ม, หมอย่างนั้นก็ชัก <c oughs> ไม่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แลหละอย่างนั้นความยึดถือนี้มีความพลาดพลาดเป็นที่สุดทีเดียวมีความว่า มีความเป็นต่างๆกันความพลัดพรากย่อมเป็นอย่างอื่นย่อมเป็นอยู่อมีอยู่ปรากฏอยู่เข้าไปได้อยู่คื อ, อยังไงมันก็ต้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแ น, น่นอนไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนคงทนอมาตะเนี่ยไม่มีดูก่อนพี่ดูก่อนอนุอนเนีนะคําเนี้ยพระ อ, องค์ตรัดใกล้จะดับขันปรินิพานเนี่ยนะก่อนจะดับขันปรินิพานมากดูก่อนอา น, นุนย่าเลย เธ อ, อยาเศร้าโศกยาคร่ำครวญไปเลยดูก่อนอนอนลข้อนั้นเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆกันความพละดพลาดความเป็นอย่างอื่นจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักใคร่พอใจทั้งหมดทีเดียวมีอยู่อาการพลาดพลาดเนี่ยมีอยู่แน่นอนข้อนั้นจะพึงได้แต่ที่ไหนสิ่งใดที่เกิดแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความสลายไปเป็นธรรมดา ซึ่งใครจะไปบอกว่าสิ่งนั้นอย่าสลายไปเลยข้อนั้นอะ่ะเป็นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะขันธาตุอายตนะก่อนๆแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นขันอายตนะธาตุหลังๆก็ย่อมเป็นไปเนี่ยนะก็ย่อมแปรปรวนไปอนะมันก็อย่างนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมั่นคงขาวอ น, นิรันดรแ น, น่นอนอมะตะ น, นะ <c oughs> นึกถึงเวลาจะปิดเรียนเนี่ยนะผู้การกาเขามา คิดแล้วว่าวันนี้ก็ต้องมาถึงในที่สุดวันนั้นจะต้องมาถึงกว่างั้นนะวันไหน <c oughs> อ่นะก็การประชุมกันก็ต้องมีเลิกราอยู่เลยใชมจะมีที่ไหนประชุมตลอดไปเลยก็บอกว่างานเลี้ยงอ่ะนะกินเลี้ยงก็ยังเลิกราเลยนะแล้วสังขารภายในที่มันประชุมกันนี่มันจะไม่แตกสลายได้ยังไงนะเดี๋ยวเหอะในที่สุดกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกแข่งก็ไปทางหนึ่งกระดูกเข่าก็ไปทางหนึ่ง กระดูกขาก็ไปทางหนึ่งกระดูกเอวก็ไปทางหนึ่งกระดูกซี่โครงก็ไปทางหนึ่งกระดูกบ่ากระดูกไหลก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอก็ไปทางหนึ่งกระดูกกระโหลกศีรษะก็ไปค้างหนึ่งค้างก็ไปทางหนึ่งฟันแต่ละซี่ก็ไปทีละทางทีละทางกระจายไปอย่างนี้แหละไม่รู้จะเป็นไปเป็นปุ๋ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะพวกเนื้อพวกเลือดก็หลุดรยไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนั่นแหละเพราะขันทั้งหลายอายตนะทั้งหลายก็แปรปลุนไปอย่างนี้ กุลบดเห็นดังนี้แล้วไม่ควรอยู่ครองเรือนนี่แหละกุลบดนะกุลบดเห็นแล้วพบแล้วเทียบเคียงแล้วตรวจตราแล้วสอบสวนทําให้แจ้งในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราโดยเฉพาะยึดถือชีวิตเนี่ยนะว่าเป็นของเราอะ่ะซึ่งมันไม่เที่ยงหรอกเมื่อรู้ว่าชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาไม่เที่ยงสิ่งที่เรารักเราชอบเราพอใจก็ต้องมีการพลดัพลดพรากเป็นที่สุดเนี่ยนะมันรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรครองเรือนความว่า กุลบุตรตัดกังวลในคารวาทั้งหมดตัดกังวลในบุตรและภรยาตัดกังวลในญาติตัดกังวลในมิตรและอมาดตัดกังวนในลในทั้งความสั่งสมทั้งหมดปลงผมและนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีห่วงใย เพิงเป็นผู้เดียวเที่ยวไปคืออยู่เป็นไปหมุนไปรักษาดำเนินให้อัตภาพดำเนินไปเพราะฉะนั้นกุลบุตรเห็นดังนี้แล้วไม่ควรอยู่ครองเรือนนไมไม่ควรอยู่ครองเรือนรอก ง, งันมันโดยสรุปคาถ า, าที่กล่าวไปแล้วก็คือชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุทั้งหลายที่ยึดถือว่าเป็นของเราเเช่นบ้านเราพ่ อ, อบ้านเราเมืองเราบะ รถเรามีเราลูกเราบุตรเราสามีเราภริยาเราข้าของของใช้ของเรานะผลทายึดถือว่าของเราก็ต้องเรสาโศกเพราะไอ้สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั่นแหละทีนี้ความยึดถือทั้งหลายก็เป็นของเที่ยงอ่ะไม่ได้มีหรอกไม่มีความยึดอะไนมันเที่ยงหรอกผนการยึดถือนี้มีการพลดัพลดพรากเป็นที่สุดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรอยู่ครองเรือน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าบุรุษย่อมสําคัญเบญจขันธ์ใดว่านี้ของเราเบญจขันธ์นั้นอันบุรุษนั้นย่อมละไปแม้เพราะความตายพุทธมามะกะผู้เป็นบัณฑิตรู้โทษแม้นั้นแล้วไม่ควรน้อมไปยึดถือว่าเป็นของเร า, านะก็เบญจขันธ์ที่ยึดถือว่าเป็นของเรานะเบญจขันธ์เหล่านั้นก็ยังต้องแตกทําลายไปนะ ที่เรายึดถือว่าผมเป็นของเรา เ, าเดี๋ยวก็ตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมว่าขนเป็นของเราเดี๋ยวก็โกนหนวดโกนเคราทิ้งไปแล้วอย่างเง้ยนะเล็บเป็นของเราเดี๋ยวก็ตัดเล็บทิ้งไปแล้วเ น, นี่ยนะฟันเป็นของเราก็แปรงทิ้งอยู่ทุกวันทุกวันน่นนะผิวหนังเป็นของเราก็ล้างออกอยู่ทุกวันนั่นแหละพวกทั้งหลายที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะก็มีการเสียหายสลายไปเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> <designing> เพราะฉะนั้นคําว่าเบญจขันตอันบุรุษนั้นย่อมละไปแม้เพราะความตาย ถ้ไม่ละตั้งอะเนี่ยในที่สุดต้องตายแน่นอนเนี่ยนะจำนวนว่าตายคร่มเนี่ยนะถ้ายิ่งแบบประสบอุบัติเหตุนะไม่รู้มันแตกกระจายหายไปยังไงเนี่ยนะแปลว่าบางคนเนี่ยนะเก็บเนื้ออยู่ได้นิดเดียวเองะเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะมันไปประสบอบัติเหตุอยู่กรุงเทพอะเก็บเนื้อเก็บเลือดเก็บกระดูกได้หน่อยเดียวเองเนี่ยนะมอเตาาอร์ไซค์อะท่านอย่างไงในที่สุดนะก็ต้องจากสังขารจากขันอันเนี้ยเพราะความตาย ความตายก็คือความจุติความเคลื่อนจากหมูสัตว์นั้นแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นนั้นควรทำลายหายไปมัจบมรณนะกาลกิริยาความแตกแห่งขันทั้งหลายความทอดทิ้งร่างกายความเข้าไปตัดขาดแห่งชีวิตอินรีนี่แหละเรียกว่าความตาย น, นนะเบนจขันนั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมละความว่าเบนจขันอันบรุษนั้นะ ย่อมละสละทิ้งหายไปสลายไปเห็นไหมพวกคสมบัติทั้งหลายย่อมละทิ้งสัตว์ไปก่อนบ้างสัตว์ทั้งหลายย่อมละทิ้งพวกคสมบัตินั้นอนะ่ะไปก่อนบ้างดูก่อนราดดูก่อนราดโจรผู้ใคร่ในกามพวกชนผู้มีพวกขสมบัติมิได้เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาเศร้าโศกเนี่ยนะอันนี้คือพระธิมุตตเนี่ยนะท่านกล่าวบอกว่า พวกขสมบัตินะมันก็ละทิ้งสัตว์เนี่ยตายบางทีอ่ะสัตว์ยังอยู่ใช่ไหมแต่ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเสียหายไปหมดแล้วนี่อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งถ้าทุกอย่างอยู่บริบูรณ์ก็ต้องจายจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกขสมบัติมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยรอบรู้อย่างเนี้ยท่านจึงไม่เศร้าโศกในเวลาที่กวนเศร้าโศกนะแม้เวลาจะตายท่านก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไร ดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปนยอย่างดวงจันทร์นะถ้าเราสังเกตนะข้างขึ้นนะข้างขึ้นก็จะค่อยคดวงจันทร์ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนถึงวันสิบห้าค่าใช่ไหยพอวันที่สิบกค่าเนี่ยนะไอ้สองเรมหนึ่งค่ำจะเริ่มพร่องพร่องพร่อง่ อ, ง อ, ง อ, ง อ, งองไปจนเหลือแค่ว่าไม่เหลือเนี่ยก็อยู่อย่างนี้แหละมีเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงทีนี้ถ้าดวงอาทิตย์แหะอาทิตย์เนี่ยขึ้นนะตั้งแต่เช้าก็ขึ้นไปจนถึงเที่ยงใช่ไหม หลังจากนั้นบ่ายไปก็เรียกว่าเริ่มทยอยไปสู่อัศดงคตดูก่อนศัตรูโลกธรรม ท, ทั้งหลายเรารู้แล้วเนี่ยนะโลกธรรมเนี่ยมันก็มีเนี่ยได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสันเสริญ น, นินทาก็มีความสุขความทุกข์อันนะมันลาบยศสันเสริญสุขเราละฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเสียใจในความเสื่อมลาบเสื่อมยศ ในนินทาและความทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เศร้าโศกในเวลาที่เศร้าโศกคือความตายท่านยังไม่โศกเลยเพราะท่านตัดฉันทะราคะในสิ่งอันเป็นที่รักแล้วเนี่ยนะคำว่าบุรุษย่อมสําคัญเบญจขันใดนี้ว่าของเราความว่าเบญจขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคำว่าบุรุษก็คือบัญญัติความนับหมายหมายรู้บัญญัติโวหารของโลกนามการตั้งนามการทรงนาม การพูดถึงการแสดงความหมายการพูดปราศัยคำว่าชายหญิงเนี่ยนะก็เป็นบัญญัติเป็นโวหารที่ตั้งันขึ้นอันบุรุษสําคัญเป็นจะขันใดว่านี้ของเราคือไปสําคัญขันห้าเนี่ยด้วยอํานาจตันหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยกิเลสด้วยทุจริตด้วยประโยคะและด้วยวิบาก น, นะคือสําคัญยึดถือขันห้าว่าเป็นของเราเนี่ยนะผู้เป็นบัณฑิตรู้โทษนั้นแล้ว คือรู้โทษในความไม่เที่ยงของขันห้านะรู้ความไม่เที่ยงของขันห้าว่าในที่สุดก็จะต้องไปสู่ความตายก็ละทิ้งขันทั้งห้าไปนั่นแหละผู้ที่เป็นบัณฑิตรู้โทษคือทราบรู้เทียบเคียงตรวจตราสอบสวนทำให้แจ้งซึ่งโทษนั้นน่ะในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็คือเห็นโทษเห็นโทษพิจารณานะว่าสิ่งใดที่เรายึดถือแล้วที่เที่ยงไม่มีรอกเนี่ยนะ ก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรายึดถือทั้งหมดคำว่าบัณฑิตได้แก่ผู้มีความรู้ผู้มียานผู้มีปัญญาแจ่มแจง้งผู้มีปัญญาเครื่องทรงเนี่ยนะบัณฑิตเขาเป็นอย่างนั้นคำว่าพุทธมามะกะไม่ควรน้อมไปยึดถือว่าเป็นของเราคือไม่ควรน้อมไปยึดถือด้วยอำนาจตันหาและยึดถือด้วยอำนาจทิฐิเนี่ยนะไปยึดถือว่าเป็นของเรา คำว่าพุทธมามะกะคือผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือบุคคล น, นั้นน่ะย่อมนับถือพระพุทธเจ้าว่าของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงบุคคล น, นั้นผู้นั้นนะผู้ที่ยึดถือว่าผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรานะีดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายพิกษุเหล่าใดเป็นผู้คดโกงกระด้างพูดพล่อยกรีดกลายมีมานะจับ มีจิตไม่ตั้งมั่นดูก่านพิสูน์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราเป็นผู้ไปปราศจากแล้วจากธรรมวินัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามภัยบุญในธรรมวินัยนี้นั่นผู้ที่ทําตัวไม่ดีเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่ไปห่างธรรมวินัยนี้แล้วแล้วก็ยังไงก็ไม่เจริญในธรรมวินัยนี้ ดูความพิสูุทั้งหลายส่วนว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่คดโกงไม่พูดพล่อยปัญญาไม่กระด้างเนี่ยนะคือมีปัญญานะไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่นดีดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้นับถือเราไม่ปราศจากไปแล้วจากธรรมวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ และพระอว์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าชนทั้งหลายเป็นผู้คดโกงกระด้างพูดพล่อยกีดกลายมีมานะจัดมีจิตไม่ตั้งมั่นชนเหล่านั้นย่อมไม่งอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วส่วนชนทั้งหลายเป็นผู้ไม่คดโกงไม่พูดพล่อยมีปัญญาไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่นชนเหล่านั้นแลย่อมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงแล้ว ันผู้ที่นับถือผู้เตยเจ้าก็คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคําว่าพุทธมามะกะไม่ควรน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าของเรามีความว่าพุทธมามะกะละความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยตันหาสละคืนความยึดถือว่าของเราด้วยทิฏฐิไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าของเราคือไม่พึงเป็นไปนะเป็นผู้น้อมไปเอ็นไปโอนไปโน้มไป ในความยึดถือว่าของเรานั้นไม่พึงเป็นผู้มีความยึดถือว่าของเรานั้นเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าพุทธามกะไม่ควรน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราอันะคงจะพอจำสูตรได้นะที่ว่าคนเขาเนี่ยสำคัญอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราอันนั้นลูกเรานั่นเมียเรานั่นรถเรานั่นบ้านเรานั่นที่ทำงานเรานั่นเงินเราทองเราเนี่ย คนเขานะแล้วถามว่าตัวของเขาจริงๆอะ่ะมีไหมล่ะเอ า, เาเอ่านะแปลว่าโดยความเป็นจริงแล้วอ่ะนะตัวของเราก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีมาแต่ไหนเนี่ยนะมันไอสิ่งที่เราสำคัญเนี่ยจะมีมาจากไหนเอา้าลราก็ถามด้วยอะไรมั่งที่มันเป็นของเราจริงๆเอาผมใช่ไม่เป็นของเราเอาไปตลอดเลยนะห้ามตัดทิ้งนะพกไปตลอดเลยนะก็ไม่เอาอีกย่างละขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก หัวใจตับพังผืดเนี่ยนะหรือเอาตาไปเนี่ยตาเนี่ยของเราตามันเน่านะรักษาเอาไว้ตลอดไหมว่ามันเราอะ่ะ น, น, นะจะโม้แคมันเสียแล้วเอาไว้ตลอดไหมลิ้นกายเนี่ยนะหรือร่างกายอันเนี้ยจะเอาไว้ตลอดเลยไหมไปไหนก็อะไรก็ตามที่มันหลุดออกจากกายเนี่ยพกเก็บไว้หมดเลยนะแปลงฟันก็เก็บไว้เนี่ยนะแค่ตาแค่ขี้ตาขี้หูก็เก็บไว้หมดโกนตัดผมก็เก็บผมเอาไว้โกนหนวดก็เก็บหนวดเก็บเคราเอาไว้เนี่ย ล้างชำระร่างกายขี้ใครอะไรก็เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปไหมของเราไหมโอ้ไม่เอาอ่ะนะแล้วเวทนาไหนมั่งมันเป็นของเราจริงๆเอ้าเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยดีใจเสียใจเฉยเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจเฉยอ่นะสังขารเดี๋ยวก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างกุศลอกุศลเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็หลับเนี่ยนะขมุนเวียนเปลี่ยนกันไปรับอารมณ์ทีละทวารเพราะฉะนั้นตนของตนก็ยังไม่มีเนี่ยนะ แล้วไอ้สิ่งที่เรามันสำคัญว่าภายนอกของเราเนี่ยจะมีมาจากไหนเนี่ยนะอัคนคนเรานี่ก็เป็นอย่างนี้